มีร่างกายก็ต้องดื่ม น, น้ำกินข้าวต้องหายใจต้องอาบน้าต้องทำความสะอาดให้ร่างกายมานึ่งหมดเวลากายกับเรื่องของร่างกายครับพอสมคนรเพื่อเพื่อที่จะ ได้ใช้ร่างกายหาลูกเสียงกิเนให้เรามาเสษกันเสรแล้วก็ต้องเสร็จอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้เสษก็จะหมดเหงื่มันคนติดยาเสพติดถ้าไม่ใช้ร่างกายได้ก็สบาย ไม่ใช้ร่างกายก็ต้องไม่ติดยาเสพติไม่ติดรูปเสียงกิดนสถ้าติดรูปเสียงกิดนสก็ต้องมีร่างกายร่างกายอนนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เา่เกิดกันมาอยู่เรื่อยๆร่รางกายนี้ตายไปก็ไป เกิดใหม่เราเกิดใหม่ก็มาทําแบบเด้มแบบที่เราทํากันอยู่ความเป็นนิสัยของเราเราเคยทําอะไรเคยชอบอะไรเราก็จะทําอย่างนั้นเราชอบรูปเสียงกลิ่นรสปวดทา่าเราก็เลยมาหารูปเสียงกลิ่นรสปวดทา่ากัน ก็หามาอย่างนี้มาไม่รู้ว่านับไม่ทวนคือปริมาณจำนวนของร่างกายที่เราเปลี่ยนกันนี้มันมากมายจนนับไม่ทวนถ้าจะนับโดยประมาณก็ให้ดูน้ำตาที่เราต้องหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาติ ในที่เวลาที่เราเสียใจเวลาที่เราร้องไห้กันถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลั่งออกมา้รารวบรวมกันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมากกว่าน้ำในมาหาสมุทรนั่นคือปริมาณของน้ำตาที่เราหลั่งกันในแต่ละพบแต่ละชาติเมื่อเรารวมกันแล้วมันมากยิ่งกว่าน้ำในมาหาสมุทรถ้าเกิดดูว่าชาติหนึ่งเราหลั่งน้ำตาไปเยอ น้ำขวดหนึ่งไหมน้ำตาที่เราหลังเลยที่เราร้องไห้กันถ้าเราสามารถที่จะเก็บมันเวลาร้องไห้ทีก็เอาที่เ อ, เอาแก้วมารองที่ตาแล้วก็เอาไปใส่ในขวดเลยหรืวอว่าตอนจะตายได้แค่กี่ขวดเราคิดดูจะต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะได้น้ำ ถ้ามากกว่าน้าในมาหาสมุทรนั่นและคือจำนวนร่างกายของพวกเราที่เราเปลี่ยนกันมาอยู่เรื่ๆเปลี่ยนเพื่อมามาเสพลูกเสียงกลิ่นลดกันเพราร่างกายมี้ตาหูจ ม, กมูกยิ้มกายไม่มี้ครปฏิเสธเลยใช่ไหว่าไม่ได้ ไ, ด ไ, มไ ม, ไไมไเสพลูกเสียงกลิ่นลดกันแต่กันทุกคน เวลาไม่ได้เสกเป็นยังไงบ้าเวลาให้ถือศีลแปดเป็นยังไงบ้างวเวลาถือศีลแปดนีนะ่ก็เป็นเวลาห้ามไม่ให้เสกโลกเสียงกิดรบกันจย็นไม่ค่อยมีใครถือศีลแปดกันนะเพราะว่ายังยังอยากเสกโลกเสียงกิดรบกันศีลก้อสามยังอยากยังนอนหลับนอนกับแฟนอยี่ย สงก็ห้าไปยังอยากจะดิลนลบนมกลิ่นของอาหารรับประทานอาหารสิงก็สิงข้กบเจ็ดก็ยังอยากไปเที่ยวตามแหล่งเงินเทนอยากดูมาหอรอศพอยากแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปทากทำเภาทำผม แลาวก็อยักนอนมากๆนอนันมันสบายเวลาที่จะมาทำอย่างอื่นก็เลยไม่มีถ้าถึงสี่แปดเราก็จะมีเวลาว่าเวลาที่เราไม่ต้องไปทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กิจกรรมทางร่างกายเราก็จะได้มีเวลามาทำกิจกรรมทางใจ กิจกรรมทางใจนี้มันดีกว่ากิจกรรมทางร่างกายเพราะว่าไม่ต้องอาศัยร่างกายอาศัยคุณระคุณธรรมภายในใจที่เราไม่มีกันแต่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เรามีแต่ก็มีน้อยคุณธรรมที่เราจะใช้ในการมาให้ความสุขกับใจนี้เรียกว่า m สี่ห้า ตอนนี้เรามีอินทห้ากันแต่มันกําลังมันมนัมันน้อยมันช่วกําลังของความอยากที่จะไปเสพลูกเสียงกิ่นลดไม่ได้อินทีหก็คือศรัทธาวิริยะสติสัมมาธิปัญญาถ้าเรามีตอนนี้เรามีศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญา แต่มีในปริมาณที่น้อยในขอที่จะเลิดใจของเราเพลิดเพของเราให้มาเลิกการที่เราต้องอาศัยร่างกาย ให้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราต้องสร้างอิ NC ห้5ให้เป็นพละห้ า, าอินจาก NC ให้เป็นพละน่าจะคงจิตธรรมดาได้เป็นจิตซุ ป, ปเ ป, ป, ปอร์แนใแค่เป็นซุปเปร์ธรรมภะพละก็คือซุปเปอร์มีพลังพลัง อันนีเราพลังมันนะ้อยู่้พลังของความอยากในรูปเสียงกินลดให้ได้เราต้องมีศรัทธาศรัทธาในผู้ที่เขามีพลังเช่นพระพิทาาัเจ้าพระหลนตัสสาวกท่านเมื่อก่อนนี้ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็จิตใจก็ไม่มีพลังที่จะ หาความสุขในตัวเองได้เลยต้องไปอาศัยความสุขทางร่างกายในรึ่งร่างกายให้ไปเสษ ร, รูป เ, เสียงกล็กเศดแลมนกติดตลังที่จะมาสร้างความสุขทางใจมันไม่มีมันเลยสู้ความอยากที่จะไป หาความสุขทางร่างกายไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องมาทำกันเพื่อให้เราไม่ต้องกลับมามีร่างกายเปลี่ยนร่างกายกลับมาไม่ต้องไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ซ้ำแลวซ้ำอีกก็คือเราต้องมาสร้าง อ, อินทรีย์ห้านี้ให้เป็นพาะละห้า ถ้าเป็นน้ำมันก็เปลี่ยนจาก91ให้เป็นน้ำมัน95ก็ต้องกลับส่งกลับไปโรงกลั่นเอาการการสกัดให้เหลือ95 91นี่มันยังมีสารมีมีของจีลปนทาให้มันไม่มีพลังเท่ากับน้ํามัน95น้ำมัน95นี่มันบริสุทธิ์กว่าน้ํามัน91 ใจของเราอนนี้มีอินทีห้ากันศรัทธาก็พอมีก็พอมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงค์ผู้ที่มีพระละหาความเพียรแค่พอมีบ้างอย่างน้อยเดินละพงังก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันทำบุญทำทานกันแล้วก้ปีหนึ่งก็อาจจะมาอยู่ปีไม่เล็กนะสามวัน อนนี้คือกำลังของผู้ที่มีอินทรีห้าแต่ยังไม่มีพระหา้าก็ต้องมาสร้างให้นเป็นพระหา้าก็ต้องเพิ่มปริมาของการที่เราจะเข้าหาพระพุทธธรรมผสมค์กาหาด้วยการฝองเทศฝังธรรมเทศฝังธรรมให้มากขึ้นแล้วก็จะมีศรัทธา ในฌันท่ามีควา ม, มดีที่จะทำความเพียรเอเราเริ่มทำความเพียรวิริยอะอินทรีย์ก็จะกลายเป็นพระอินทรีย์ขึ้นเมนื่อก่อนก็นอาจจะทำปฏิบัติบ้างนั่งบ้างเวลาขึ้นชั้ลองหลายต่าเนี่ จะเพิ่มปริมาณการปฏิบัติเป็นสงเท่านั่งเครื่วงชั่วโงก็นั่งนั่งเป็นช่วงโมงไปเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ เ, เพิ่มการภาวนาเพิ่มการรักษาศีลการรักษาศีลห้าได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามรักษาให้ได้รักษาศีลห้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มดถ่ายก็เพิ่มเป็นสีงแปดยังต้องจะเพิ่มในวันพระวันพระวันหยุดทำ ง, งานวันที่เราไม่ต้องไปทำอะไรก็อยู่บ้านเก็บตัวถือสี่แปดแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาให้มากขึ้น ถ้าเราทํามากขึ้นไปตามลําดับต่อไปอินท N4 ก็จะกลายเป็นเท่าละ N45 ก็จะเป็นเทละ5้าเท่าศรัทธาก็จะเป็นศรัทธาแบบไม่สั่นคลอนแน่วแน่มั่นคงสั้งศรัทธาต่อพระพุพะทธธรรมพระสงค์เชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าชื่อในคําสอนคำสอนข อ, องพอริยสงสาร แล้วก็ปฏิบัติธรรมโดยวิริยะกุศาภาคเพียนปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติสติปฏิบัติสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิเราสามารถที่จะใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้กับพวกเรา าาา น, านามาฆ่าเกเตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจต้องัวอยางเพิ่มศรัทธาให้มากขึ้นด้วยการศึกษาฟัางเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะให้มากขึ้นแล้วก็พอศึกษาแล้วมันจะเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วพอ เศรัทธาก็จะเกิดการปฏิบัติเกิดการเจริญสติขึ้นเกิดการรักษาสิ้นขึ้นมารักษาสิ้นแปดถ้าจะปฏิบัติก็ต้องรักษาศิ้นแปดีะไ้มีเวลาถ้าทํางานถ้าออกจากงานได้ก็ออกไปถามีเงินสํารองไว้พอ เลงปาดเ ล, ง 8, ลีงท้องได้ไม่เดือดร้อน้าควรหยุดทํา ง, งานเอาเวลามาหาความสงบ ด, ดีกว่าถ้าทํา ง, งานเพื่อหาเงินไปเที่ยวหาเงินไปซื้อของทางตาหูจมูกเนื้ อ, องายเชื้อความสุขทางตาหูจมูกเน้องายก็หยุดทํำงานดีกว่าเอาเวลามาหาความสุขทางใจ มาเปตี้ยย่อยู่คนเดียวทีสิ่งต่แล้วก็จะดสติทั้งวันตั้งเต่ตื่นจนหลับควบคุมใจไม่ให้คิดด้วยเปืือยถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้ทำงานมันก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องคิดก็สามารถที่จะดึง ม, มันให้หยุดคิดได้ใมันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไป เลยให้มันเฝ้าดูการทํางานของร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทําปเจสติไปแย่างการนั่งสมที่ไปเหตุที่ต้องนั่งเพราะว่าจิตจะสงบได้เต็มที่ก็ต้องนั่งเฉยๆเพราะถ้าร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวยังมีการเดินไปเดินมาเช่การเดินโยกมือจิตก็ยังต้องทํางาน จิตยังต้องคอยควบคุมร่างกายคอยสั่งให้ร่างกา ย, ยไปเดินมาถ้านั่งเฉยเจิตก็ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทําควบคุมร่างกายจิตก็จะหยุดทํา ง, งานได้เต็มที่ดคิดหยุดตรงแต่งได้เต็มที่เจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกขัตตาลงเหมือแต่สักแต่ว่ารวมเวลารวมกันนี้ คำทั้งสี่จ้างหยุดทา ง, งานขันันจะรวมเข้ามาที่จิตเหลือแต่ตัวูลสักจะว่าโลแล้วก็มีอุเบกขามีความสุขใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายพอได้สมาธิแล้วได้ความสุขแล้วก็สามารถที่จะสอนใจให้เลือกหาความสุขทางร่างกายได้ เวลาเกิดความอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยกายอัญหาก็จะสอนว่าเป็นเหมือนการหาแฉหายาเสพติดถ้าไปเสพความสุขทางร่างกายก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวาไม่เสพก็จะทุกข์เวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์เหมือนคนติดสุราคนติดบวหรี่คนติดอะไรนี่พอไม่ได้ทํำก็ ตามที่ต้องการมันก็ไม่สบายใจเม็ดนาทางใจหมดเหงื่อใจ <c oughs> พอใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากถุย ค, ายาควาอยากคอยเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะออด ก, กําลังไปแล้วมันก็จะหมดกําลังพอหมดกำลังแล้วใจก็เป็นอิสระ ไม่ต้องไปเสร็จโลกเสียงเกนวัไม่ต้องใช้ร่างกายนี่คือถ้าเรามีภาระหามีศรัทธาแน่วแน่ต่อคำสอนต่อการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอริยรสงสารว่าเป็นทางไปสูความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเมือนว่ายตาเยเกิด ลดทอนจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเมื่อใจไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายจ่ายก็ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายอยู่กับตายเท่ากันพรอไม่ได้ใช้ในร่างกายเหมือนถ้าเราไม่ใช้ทรถยนต์รถมันจะเสียไม่เสียก็เท่ากันจะมีน้ำมันหมือไม่มี้ำมันก็ไม่สําคัญ เมื่อเราไม่ใช้มันจอดมันอยู่เฉยๆมันจะถูกกบฏไปก็ไม่สําคัญนะมันจะอยู่จอดอยู่เฉยๆยาจะแตกก็ไม่สําคัญแล้วมันไม่มีก็ไม่สําคัญเพราะไม่ได้ใช้ระโยชนก็ปล่อยมันอยู่เฉยๆไปนร่างกายถ้าเราไม่ต้องพึ่งมันไม่ต้องใช้มันมันจะเป็นอะไรเราก็เฉยๆไม่เดือดร้อนมันจะแก่ก็เฉยมันจะเจ็บไข้ได้ป่วย เขาโรงพยาบาลเอต้องต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่ไปก็สุดแท้แต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปก็ได้ไมไปก็ได้ไม้วต่างพอใจไ ม, ม่รบเสียเอาไปซ่อมไปไหนไม่เอาไปซ่อมไปแล้เลมื่อไม่ใช้มันจะไปซ่อมมันทําไมซ่อ ม, มัแล้วเดี๋ยวก็เสียอีกก็ขวัญเสียไปดามันทิงไปเฉยเฉยเดี๋ยวก็ ถ้าเจาะไปนานๆก็เสียทำอะไรไม่ได้ใช่เลไมได้แต่เมื่อเจ้าของไม่ใช้มันแล้วไม่นั่นไม่มีไม่มีปัญหาถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญามันแกวไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ใช้ความสบบดีกว่าภาพสงบนี่ดีกว่าให้ความสุขมากกว่าให้ความอิ่มเอิใจในความสุขที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจ ไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายแต่ไมไปด้วยความหิวความอยากพอได้ความสุขทางร่างกายเพราะเดี๋ยวความผิวความอยากจะมีความสุขทางร่างกายก็ต่างไปไม่มีวันพอเนี่แต่จะเพิ่มความอยากให้มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าได้ไเที่ยวแล้วก็อยากจะไปอีกถ้าได้ดูได้ฟังอะไรแล้วก็อยากจะดูอยากจะฟัง ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยเป็นที่มาของการไปเรียนว่าตายเกิดกันเพราะการอยากมันไมมันไม่หายไปจากการที่เราทำตามความอยากความอยากมันอยากหายไปจากการที่เราฝืนไม่ทำตามความอยากการจะฝืนได้เราต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาถึงจะฝืนมันได้ คนที่ติดยาเสพติดติดบุหรีติดสุราหรือติดอะไรก็ตามถ้าสา ม, สสสส า, ม, สมารถสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้รับรองแล้ว่าเลิกได้สิ่งที่ติดตา่ตางๆสติสมาธิและปัญญานี้จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจมีความสุขให้มีความอิ่มเมื่อมีความอิ่มมันก็ไม่หิวกับ่อกเสียงเก่งแล้ว ไม่หิวกับหน้ามยศดสนเสนมันก็ไม่หิวกับร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นปหานี่คือสิ่งที่พวกเราไม่มีกันมีก็มีน้อยมีสตัามีวิริยะมีเสติมีสมาธิมีปัญญาก็มีในปริมาณที่น้อย ไม่พอต่อการที่จะมาสร้างความสงบให้กับใจแล้วก็ไม่พอต่อสู้กับความอยากยังอยู่ภัยยังแพ้ความอยากอยู่ความอยากยังใช้ให้ไปหาคามสุขทางร่างกายอีกดังนั้นเราต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะตั้งไป ต่อที่ไหนเราจะก้าวไปทางไหนเราจะก้าวไปได้อย่างไรถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าเราไม่เคยไปในทางนี้มา ก, ก่อนเราเลยต้องมาฟังคนที่เคยไปมาแล้ ว, ลวคือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวุทั้งหลายท่านกระจายมาเล่าประวัติของท่านให้ฟังพระพุทธเจ้าก็เล่ามา ตอนที่เป็นหนุ่มตอนที่เราไม่ได้ออกบวชก็ติดอยู่กับความสุขทางร่างกายติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูปเปกเลยงกายมีปรศาศสารเมือดือนมีงานเลี้ยงแทบทุกคืนงานเลี้ยงมีมหฮอกนั่งศพมีอะไรฉลองกันทุกคืนมีกิจกรรมต่างๆให้ทําทางร่างกายทั้งกลางวันวและกลางคืน ในความสนุกมากในความสุขมากจนวันหนึ่งเกิดความอยากรู้ว่าข้างนอกวังมีอะไรบ้างเพราะจักรใจเกิดมาพ่อมไม่เกิดอนิจให้ออกไปอยู่ขับออกไปนอกวงังนอกกำแพงวงังเลยคิดว่าในวงังมีแต่ความที่ว่าโลกนี้มีแต่ความสุขทานตาหูจมูกเล่นกายมีแต่คนหนุ่มคนสาว ที่ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายกันเพราะคนที่แก่เขาก็ไม่ให้เข้าวังคนที่เจ็บเขาก็ไม่ให้เข้าวังคนที่ตายเขาก็ไม่ให้เข้าในวังจพงมีแต่คนหนุ่มคนสาวมีแต่คนรูปร่างหน้าตาสวยงามหล่อเหลาคนไหนพิการคนไหนหน้าตาอาภัสก็ไม่ให้เข้าเรื่องแต่เอาแต่คนสวยๆหล่อๆเข้าไปอยู่ในวัง เจ้าชายสิทธัตถะก็เลยคิดว่าโลงนี้เป็นอย่างนี้แต่ก็ยังอยากจะรู้ว่านอกจากที่เห็นได้วางแล้วมีอะไรานอกเหนหือไปจากนั้นหรือเปล่ายต้องหนีออกไปแอบออกไปแอบออกไปเพราะถ้าขอด้วยยากก็ไม่ได้ไปก็เลยต้องแอบออกไปเพราะออก ไ, ไปก็ไปเจอคนแก่เข้า ตอนต้นคุณไม่ดู้ว่าเปนอะไรถานอาหารเล็ก เ, เล็กก็บอกก็คนที่เป็นนุมเป็นสาวเหมือนที่พวกเราเป็นอยู่เนี่นะครับแต่พออยู่ไปนานๆานเข้ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ง่ายๆาหมันต้องแก่ลงไปเนล้วแต่พ่อองค์เองก็ต้องเป็นเหมือนกันต่อไปนเพอทราบว่าตัวเองจะต้องแก่ขึ้นมาความไม่ตอกก็เกิดขึ้นมนาแล้ะว่าจะต้องแก่เนี้่ะนอกจะไปหาความสุขได้ไง เป็คนแก่มันก็เนี่ยปัทับปกักครองสังขารของตัวเองไม่อยู่แพ้ไม่ไหวน่าจะไปทำอะไรได้แล้วพอเดินไปสักรยะหนึ่งก็ไปเจอคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงหน้าบ้านววร้องครวญครางก็ถ า, ถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไรคนนี้ก็เป็นนรคภยัยไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อก็ต้องเป็นเหมือนกันตายแล้ว แตเราต้องเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งมิดจกแล้วพอไปเดินไปดูสักระยะหนึ่งก็ไปเดินเห็นเขากาลังแห่ศพแลือกาลังเผาศพอยู่เขาทำอะไรกันก็กลังเผาศพคนนี้เขาหดลมหายใจแนละ้วเขาอยู่ไม่ได้นะร่างกายถ้าเก็บไว้เฉยๆมันก็จะเน่าเหม็นมันก็จะ เป็นอันตร า, ายต่อคนที่อยู่้ต้องเอาไปเผาร mm hmm. ่างกายของพระองค์ก็ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อทรงเห็นสัตว์จะทำความจริงสามประการ mm hmm. ก็ทําให้พระองค์นี้เริ่มมีความวิตกมีความหวาดตัวต่อสังขารต่อการมีสังขารร่างกายแล้วพอเดินไปอสักระยะหนึ่งก็ไปเห็นนักบวช ก, mm hmm. ก็ถามว่าทายคนนี้ก็ทําอะไร อ, อ๋อคนนี้เขาเขาไปอยู่ในป่าให้เขาเขาไปหาวิธีที่จะทำให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ อ, อยากจะหลุดออกหลุดนีออกจากทางแก่ทางเจ็บทางตายเขาก็ไปได้เห็นทางออกว่ายังมีทางออกทางออกจากการต้องที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย ความรู้เหลนี้ก็เลยฝังอยู่ในใจของพระ อ, องค์ประกอบกับพระ อ, องค์เองก็มีบุญก่ามามีสมาธิติด ต, ตัวมาก็มีความสุขจากความสงบของใจในขณะที่ไม่ได้ตั้งใจนั่งสมาธิแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้จิตสงบจิตรวมในตอนที่ทรงพระยา ว, ไว์ไหวันนั้นเป็นวันที่เขามี นานอะไรต่างๆพวกนามสนองกำนันมาเล็กลองไปช่วยงานในปล่อยให้พระองค์ประทับอยู่ตามลำพัง <c oughs> อยู่ใต้โคนไม้ขอร่างกายของพระองค์อยู่ตามลำพังไม่มีอะไรมามาหวานมาอยู่รอบข้างก็ทำให้ใจนี้ทำให้กายนี้เวกเคื่อกายสงบสละปราชาจอา รูปเสียงต่างๆที่เราคอยดึงใจไว้ไม่ให้เข้าสู่ข้างในพอไม่มีอะไรดึงใจให้เข้าสู่ข้างในใจที่เคยเข้าข้างในมันก็เข้าปุ๊บเข้าไปสงบเป็นสมาธิแล้วก็มีความสุขมากแต่ไม่ทราบตอนนั้นเป็นเด็กไม่ทราบว่ามันมีความหมาให้อะไรเป็นอย่างไรแต่พอพอมาเนึกถึงความสุขตอนนั้นก็พอจะเข้าใจว่า มีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพระองค์ก็เลยมีความยินดีที่จะไปทดลองกับการใช้ความสุขแบบนี้การหาความสุขแบบนี้พอถึงวันที่ได้ข่าวว่าพระละพระพระมาเหสีได้ครอบพร ะ, ะราชโอรสตอกมา ก็เลยรู้ว่ า, ถ, าถ้าจะไปก็ต้องไปวันนี้แล้วถ้าอยู่ต่อไปก็คงจะไปไม่ได้เพราะความผูกพันต่อพระราชโอรสเลยไม่กล้าไปดูพระราชโอรสในทางไปเสียคุนบายไปเลยมีม น, นายนาหน้าผาตาชิตไปเอาม้ากับ ไปส่งที่ชายป่าพอเย้าพรหลงให้เขาเอามากลับไปพรงก็ส่งเดินไปเข้าป่าไปไปหาที่ศึกษาที่ปฏิบิติ์ธรรมระหว่างทางก็ไปเจอขอทานขอทานเห็นทรงใส่สเสื้อผ้าอภรร์ที่สวยงามก็ขอเปลี่ยน อยากได้ก็ออกก็ไม่ได้ยึดติดกับความสวยงามของร่างกายของเสื้อผ้าอภรรก็ยินดีที่จะแลกกันยิน่งใส่เสื้อผ้าอภรรของขอทานเลยไม่มีใครรู้ว่าเป็นเจ้าชายไม่มีใครมารบ ก, กวนปลอดภัยกว่าก็กาเปลี่ยนกัน ขอทานก็เลยได้เป็นเจ้าชาติเจ้าก็ได้เป็นขอทานแล้วก็อยู่แบบขอทานจริงๆเพราะนักบวชสมัยก่อนก็เบญทบาทเหมือนกันแต่อาจจะไม่เปบญทบาทเหมือนสมัยนี้ที่มีศรัทธาคนใส่กันด้วยความเคารพด้วยอะไรสมัยก่อนชาวบ้านก็อาจจะใส่ด้วยความสังเวสมากกว่าน เห็นพวนี้แต่ตัวแบบขอทานมาเข้ามาในหมู่บ้านมาขออาหารก็คงคิดว่าเป็นพวกขอทานทั่วไปก็ให้อาหารไปไอาหารแล้วเขาก็แยากไปอยู่ตามที่ของเขาตอนนักบวชสมัยนั้นก็มีหลายหลา ย, ลแบบหลายรูปแบบมีหลายนักที่พวกชีปเปยืยก็มีพวกอะไรหลายหลากหลายด้วยกัน ้นนก็ไม่รู้ว่าพวกนี้ทำอะไรกันบางคนก็คิดว่าเป็นคนบ้าเป็นขอทานก็ <c oughs> ไม่ค่อยมีศรัท ธ, ธาอะไรมากมากเพียงแต่ก็เห็นว่าเป็นเหมือนขอทานก็สงเค่าะ้อไปตามนิสัยของคนใจบุญพระวจนะเจ้าก็อยู่แบบนั้นกุฏิก็ไม่มีใครปลูกให้ก็ไปในป่าไปหา อเก่งไม้ถานต้นไม้มาทําเพลงิงทาำไรพอหลบแดดหลบฝนได้พอาหาที่ทํำใจให้สงบพอเวลาใจสงบแล้วก็ไม่ต้องพึกงนั่งกายเวลาจ่ายเข้าสมาธิเวลาคิดถึงวังเวลาคิดอยากจะกลับไปในวังก็เข้าไปนั่งในสมาธิแต่พอนั่นสงสมาธิจิตสงบก็มีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้ในขณะที่อยู่ในวัง ก็ะไรไม่ต้องกลับไปในวังแต่ก็ยังเป็นความสุขชั่วคราวสุขเฉพาะเวลาที่เข้าไปในสมาธิเวลาใจสงบความอยากจะกลับวังก็ไม่มีแต่พอออกจากสมาธิมาความอยากเดิมมันยังไม่ตายจากการนั่งสมาธิมันก็โผล่ขึ้นมามันก็จะมาชวนให้กลับไปวังชวนให้กลับไปหาเรื่องเสียงเขียนมา แล้วพอคิดถึงความแก่ความตายเที่ตามมาก็ทําให้เกิดความกลัวกับความทุกข์ใจข<ม>ึ้นมาเราเลยังรู้ว่าเรายังไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้อย่างตลอดเวลาดับได้เฉพาะเวลาที่เข้าไปในสมาธิ <c oughs> ไปศึกษาไปเรียนกับครูบาอาจารย์สองลูกท่านก็สอนการเข้าไปในปรูปฌานกับอรูปฌานเข้าไปสงบใน ในสมาธิทั้นต่างๆชั้นต่างๆแต่ก็ยังไม่มีใครรู้วิธีเวลาออกจากสมาธิว่ามาทำไมถึงยังมีความทุกข์ใจอยู่ทำไมถึงยังอยากจะไปหาความสุขทงางตางหูจมูกนิ้วกายอยู่นะก็เลยไม่มีใครรู้วิธีหยุดความอยากนี้กับหยุดได้แต่เฉพาะเวลาเข้าไปในสมาธิอออก็อจากสมาธิแนละ้วความอยาก ที่หาความสุขทางตาหูจมูกเน้ง่ายก็โผล่ขึ้นมาเมื่อไม่มีใครรู้วิธีก็องก็เลยลองหาวิธีสู้กำจัดความอยากเราคิดว่ามันอยากที่ร่างกายอยู่ในร่างกายถ้าแม่เน้นกินแม่มีแรงมันกับความอยากมันก็โผจะหมดไปแต่อดข้าวต้องสี่สิบเก้าวนร่างกายจะตายอยู่แล้วความอยากมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม พระองค์ก็เนี้ก็ไม่ใช่ทางความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจที่สงบทีนี้จะทำไให้ใจสงบในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธิพระองก็เลยคิดไปคิดมาค้นายค้นมาในที่สุดก็พบว่าความอยากเกิดจากความหลงหลงว่าความสุข อยู่กับลูกเสียงเกล็่นอะอยู่กับร่างกายหลงไปเพราะคิดมองไม่เห็นความจริงว่าความสุขทางตาหูจหมูกจนื้อง่นิดเเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรได้ดมาแล้วก็หมดไปได้ดูแล้วก็หมดไปได้ยินแล้วก็หมดไปต้องดูอยู่เรื่อยๆต้องได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆทีนี้น่างกลางจะ แก่ไปเรื่อยๆมันต่อไปมานก็จะหูหนวกมันก็จะไม่ได้ยินตาก็จะไม่ดีมันก็จะมองไม่เห็นแล้วกามันก็จะทุกข์ขึ้นหน่อยเพราะมันยังอยากหาความสุขเพรา้เลยพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นว่าความสุขทางตาหูจมูกลึ้นกายทางร่างกายนี้มันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนำไปสู่ความทุกข์ เวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ของมันได้แล้วก็ไปห้ามร่างกายไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายไม่ได้มันต้องเป็นปายตามขั้นตอนของมันถ้าเห็นว่าการหาความสุขเป็นทุกข์ก็หยุดมีเสียแล้วก็อย่าไปทําตามต้องเห็นโทษของการ การหาความสุขทางร่างกายว่าเป็นการหาความทุกมันถึงจะหยุดความอยากได้แต่ยังเห็นว่าการหาความสุขทางร่างกายเ ป, เป็นความสุขมันก็ยังจะไม่เลิกหาเหมือนกับถ้าเรารู้ว่ากาแฟถ้วยนี้เขาใส่ยาพิษไว้ดื่มเข้าไป่าต้องตายเราก็ไม่ดื่มนี่เราไม่รู้ยาพิษเขาใส่มันไม่ได้ตายที่ร่างกายมันไปทาให ใจมันเครียดทําให้ใจมันทุกข์ทำให้ใจมันติดเนี่ยใที่สุดพ่อก็ส่งก้นพบวิธีที่จะอยู่แบบไม่ทุกข์ขณะที่ไม่ได้เข้าในสมาธิก็คือต้องหยุดความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายและการจะหยุดได้ก็ต้องเห็นว่ามันเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขต้องหาอยู่เรื่อยๆ แล้วพอหาไม่ได้ก็ทุกข์ก็เลยหยุดหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายใจก็สงบแต่ก็เย็นใจก็อิงขึ้นมาความอยากทําให้ใจหิวพอทําลายความอยากไปความหิวหายไปความอยากก็ผล่ขึ้นมาแทนเหมือนกับความมืดกับความสว่าง มันอยู่ที่เดียวกันไม่ได้อยู่ที่พร้อมกันไม่ได้ถ้ามันสว่างมันก็ไม่มืดถ้ามันมืดมันก็ไม่สว่างถ้ามันอิ่มมันก็ไม่หิวถ้ามันหิวมันก็ไม่อิ่มถ้ามันอยากมันก็หิวถ้ามันไม่อยากมันก็ไม่หิวนี่ก็อยากไปอยากมันเท่านั้นเอจิตง่ายๆจับกะง่ายๆอยากมันหิวอยากไปอยากเย อยากก็อยากกินอยากเลื่ออยากาให้มันตายไปให้มันให้มันสู้กับมันตอนที่มันสู้กันมันทรมาตอนที่มันอยากแล้วเราไม่ไม่ทาําตามความอยากนี่โอ้โหมันจะตายให้ได้โหยโหยกลายเนี่ยโหยโหยถ้าโหยกาแฟเนี่ยโหยโหยละครโหยอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้ทาําตามความอยากมันจะตายให้ได้ยอมยอมทนะ เอาเอาสติสมาธิเอาปัญญามาสู้กัมนมาก็ใจก็จะเฉยๆเป็นอุเบกขาแล้ไม่ทำตามความอยากได้ออพอไม่ทำตามความอยากความอยากมันก็หมดแรงไปพอความอยากหมดความหิ ว, ว мод, ก็หมดความอิ่ก็โผล่ขึ้นมาเนใจมันไม่ได้อิ่มด้วยการไปกินไปไปดื่มเมนร่างกายใจมันอิ่มด้วยการไม่ไม่ไมีความอยาก มันหยุดความอยากได้ใจมันก็อิ่ขึ้นเลยแต่วันนี้ใจเราไม่เคยอิ่เลยเพราะอะไรเพราะมันมีความอยากตลอดเวลามีวันไหนมากที่ไม่อยากหลังถามตัวเองที่วันนั้นเราทํางนี้ทำด้วยความอยากทรือเปล่ววาทำไมันไม่ฝืนมันหยุดมันสถึงบอกให้ทดสอบง่ายๆให้นั่ง6ชั่วโมงนั่งอยู่ที่เก้าอี้เฉยๆไม่ต้องทําอะไรนั่งมัน อยจะทำเลยมันอยากนะ<ม>ถึงจะได้เห็นโทษของความอยากแล้วถ้าฝืนมันได้ใจมันจะสงบไปเป็นขั้นข้ขั้นหกชั่วโมงนี่มันก็จะสงบไปความอยากที่จะลุกไปทํานู่นทํานี่มันในที่สุดมันก็กหมดแรงไปต่อไปก็นั่งเฉยๆไนดะ้อั น, นี้คือวิธีที่เราจะต้อง ปฏิบัติกันต้องมาสร้างกำลังให้กับใจสร้างใจให้มีพละหา้าโดยเฉพาะสติสมาธิปัญญากับวิริยะศรัทธาก็คือความเชื่อแน่วแนว่าทางของพระเจ้านี้คำสอนพระเจ้านี้เป็นทางที่ถูกต้องที่สุดขอให้ปฏิบัติตามให้ได้ถึงเจ็วันก็ได้ของพระเจ้ารับรอง ถ้าเธอปฏิบัติตามที่สอนได้เจริญสติได้ทั้งทั้งวันทั้งคืนอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิจิตกลัมเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาหยุดเห็นว่าความอยากนั้นพาไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้มันไม่เที่ยงมันได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วสักวันนึ่งมันก็ต้องจากมาไปเราจากไปเราก็อ้างว่างต่อเปี่ยนเร็วได้ขิวเหมือนเดิมอยากเหมืออยากขึ้นม า, มา นี่คือเรื่องของการที่เราจะเลือกใช้ร่างกายเป็นเครื่องม้าเครื่องมือเป็นที่อาศัยเป็นที่พึ่งเพราะมันพึ่งไม่ได้เนื้อร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่เมื่อเกิดแนละ้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่ทุกข์ก็เพราะว่ามัน มันพึ่งมันไม่ได้ยังอยากจะให้มันเป็นที่พึ่งอยู่แต่มันพึ่งไม่ได้แล้วก็เลยทุกข์กันไม่สามารถใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆได้เหมือนเมื่อก่อนเหมือนตอนที่ร่างกายยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเรามาฝึกจอมนสติควบคุมความคิดควบคุมความคิดได้ก็ควบคุมความอยากได้ แต่ว่าการควบคุมด้วยสตินี้มันยังไม่ทําให้ความอยากตายอย่างถางวรทำให้มันหยุดชั่วคราวเวลามีสติพุทโธพุทโธมันก็จะไปคิดถึงขนมไม่ได้คิดถึงละคอไม่ได้คิดถึงแฟนไม่ได้แต่พอหยุดพุดโทโธเมื่อไหร่ปั๊บไปเลย <S <S 1> <S 1> คิดถึงขนมเลยคิดถึงนะครเลยคิดถึงคนนั้นคนคนี้พอคิดถึงเขาก็เกิดความอยากขึ้นมา พอเกิดความอยากก็เกิดความหิวเกิดความหงุดหงิดเกิดความเอลำคางใจอยู่ไม่เป็นสุขนะต้องไปทำตามความอยากเพื่อที่จะได้ทําให้ความหงุดหงิดความลำคางใจความเหงาความว้าวเวยเจ้าซ้อยง่อยเหงาหายไปเวลาอยู่คนเดียวเหงาต้องไล่กันโทรหกันทั้าวทุกสุขเดียกันอ ได้รับมเรื่องราวก็ก็เชิญหายหายจากความหมกมุ่งไปชัวว่วคราวแลเดี๋ยวก็เป็นอีกเดี๋ยวคุยกันมากมาเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันเบื่อกันนี้หยุดไปหาความทุกข์ทั้งทั้งไปแล้วไม่ได้ไปอยู่ก็ทุกข์ไปก็ทุกข์เวลาคิดถึงใครก็ไปหาเขาไปอยู่กับเขาได้ไม่กี่วันก็ทะเลาะ ก, กัน คิดถึงลูกไปอยู่กับลูกได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันลูกเหมือนกําลังทานแล้วนําลังทานันกลับบ้านบ้านไครบ้านมันกลับมาได้ไม่กี่วันก็คิดถึงมั น, มนกลับไปนะก็เด้งไปเด้งมานะถ้าบอกจิตลราเหมือนเหมือนลูกฟุตบอลดวงตาบอกจิดพวกเรานี่เหมือนลูกฟุตบอลถูกสองฝ่ายเตะไปเตะมา อยู่ตรงนี้เขาก็เตะไปแล้วเขาเตะไแล้วไม่ชอบเตะขับมาตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็อยากไปหาลูกพอไปหาลูกเสร็จก็เบื่อก็อยากจะกลับบ้านอยากไปอยากอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ได้ไม่นานมันจะเบื่อพอมันจำเจมันชินชายทำอะไรสักพักมันก็จะเบื่อเราก็จะคิดถึงบ้านบ้านที่เบื่อมันก็กลายเป็นบ้านที่อยากจะกลับมาเรากลันมีบ้านสักพักก็เบื่อก็อยากจะไป จิต ท, ที่ไม่สงบเป็นอย่างนี้ถ้าจิต ท, ที่สงบแล้วมันจะไม่มันไม่มันจะเฉยมันจะเน่งมันจะเป็นอเุเบกขาแต่ว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ใช้ปัญญากำจัดปัญมยาเวลาที่จิตไม่เป็นอุเบกขามื่อไหร่ความอยากยาก็จะโผล่ขึ้นมาวิที่แล้วพอวันโผล่ขึ้นมาก็สู้ไม่ได้ก็ไปทําตามคัญมยา หรือถ้าไม่ใช่นั้นก็เข้าไปในสมาธิมันมันก็ยังไม่ตายการเข้าในสมาธินี้เป็นเพียงแต่ประดบมันไวเหมือนหินทับหญ้าถ้าเราเอาเหินไปทับหญ้ายญ้ามันก็งอกขึ้นมาไม่ได้พอเราเอาเหินออกไปเดี๋ยวหญ้ามัก็งอกขึ้นออมาเม็นไม่ตายเราไม่ได้ถอนรากของหญ้าถ้าเราต้องการที่ให้หญ้ามันตายอย่างท้าวอนไม่ต้องใช้หินทับหญ้าถอนรากขึ้นมา มันทั้งรากทองทั้งโคนขึ้นมาแล้วมันจะไม่มันจะตายมันจะไม่มันจะไม่โผลขึ้นมาอีกลากของความอยากก็คือความหลงที่คิดว่าการทำตามความอยากจะเป็นความสุขใช่ไหมเพราะเราอยากได้อะไรนี่เราทำกันเลยนะอยากไปเที่ยวนี่ไปแนละ้วอยากจะไปดูอะไรอยากจะไปังอะไรนี่ไปกลนเะห็นคนที่ไปดูภาพยนตร์กันไปดูคอนเสิร์ตกันคนที่ไปงานเลี้ยงกัน ไปทําไมก็คิดว่าไปแล้วมมีความสุขแต่ ไ, นนไม่รู้ว่ามันความสุขเดี๋ยวเดียวเป็นความสุขแบบยาเสพติดทําให้ต้องทำให้ติดแล้วทําต้องทําให้ต้องไปหามันอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเวลาไหนหาไม่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไปเนี่ยเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราว ได้มาพ๊บก็หมดไปแล้วไปเที่ยวกลับมาปั๊บมันก็หายไปหมดเลยอยู่ยังอยู่บ้านต่อไปไม่ได้นะไม่กี่วันก็อยากจะไปเที่ยวเลยว่าอยู่บ้านแล้วมันไม่มีอะไรให้ดูให้ตังให้ทํามันก็เหงามันก็เบื่อมันก็ทุกข์แต่ถ้าเราฝืนไม่ไปมันอยากไปไม่ไปเฝืนไปบอกให้นั่งหกชั่วโมงไปฝืนไปอยากไปทําตามความอยากหยุบความอยาก ถ้าหยิดด้วยการเข้าสมาธิตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเพระเราเข้าด้วยเหตุผลเราเข้าด้วเรารู้ว่าเราเข้าเพื่อเราไม่ไปเพื่อไม่ไปทําตามความอยากเพราะมันอยากเราก็อยากไปทําตามความอยากพอไปความอยากมันก็หมดเล่หมดกคำนั้นแล้วมันก็จะไม่มาลบ ก, กวนใจเราอีกต่อไปหลวงพ่อโสดาบ้านนี้ก็ละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ ก็ไม่ต้องทุกกับเรื่องของความแก่ความเจ็บของร่างกายวัสดีดาข้ามานี้ก็ทําให้ความอยากที่จะเสพการเบาบางลงไปจากร้อยหนึ่งละห้าสิบนี่เบาบางแต่ยังมีอยู่แต่ยังไม่หมดาบางเวลาก็ยังอยากเขาเรียกว่าเบื่อเบื่อยากอยาบางเวลาก็เบื่อบางเวลาก็อยา ก, าา ก, าา ก, ยากถ้าเป็นผ้านาะทามันก็เบื่อตลอดเวลา พอเห็นร่างกายทีไรก็เห็นเป็นซากสพเห็นเป็นอาการ32ไปเห็นตับตายไส้ถูกเห็นอะไรต่างไปความอยากที่จะไปเสกการก็ไม่มีการละลกทักก็ถูกปัญญาทำลายเนพราะอยากที่ไรก็อย่างเงี้ยเหมันก็อยากข้าวอยากอาหารก็้คิดถึงอุจจาระเนี่ยอเดี๋ยวมันก็เกลียดเม่นเราด้วยจะระวังเนาะมันจะ จะเขาเรียกอะไรว่าโอดีคือกินยามากเกินไปอย่างที่ห น, นตาเคยเขียนมันยังเสริมว่ามีแม่ชีคนหนึ่งแต่ก็มีปัญหาเรื่องกินเนติดอาหารก็เลยพิจารณาอาหารความเป็นปฏิคูลของอาหารเห็นอาหารเป็นอุจจระไปจนกระทั่งทุกครัง้งจะกินกินไม่ลง <laughs> แต่ก็รา่างกายผอมโซกินไม่ลงจริงจริงเวลาจะกินมันจะพิจารณาเป็นอุจระไปทุกที Mm hmm. เลยต้องไปปรึกษากับหลวงตาถาว่าทำํำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้หลวงตาก็บอกว่าให้พิจารณาต่นดินน้ําลมใสเป็นธาตุสี่รางตายก็เป็นดินน้ําลมใสก็เราก็เติมน้ําเติมดินให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายยังอยู่ต่อไปได mm hmm. ไ้ให้กินแบบกินยาแต่ไม่ให้กินแบบความอยากอยากไปดูรสชาติของมันหรือแบบรูปของมันหรือว่ามันเป็นเพียงธาตุ ดื่มน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไม่ต้องมีรสมีสีมีกลิ่นกินอาหารก็กินแบบจืดๆชื่้นๆไปไม่ต้องไปปรุงแต่งลดให้มันอร่อยคุกมันเข้าไปถ้ามันเป็นท่าตุก็มันเหมือนเงินหมดจะเป็นแกงจืดหรือแกงเผ็ดขนมเค้กหรืออะไรปนมันสระเดี๋ยวมันก็เป็นรวมกันในท้องนี่อย่าก่อนจะรวมกันในท้องก็ให้มันรวมในชามนี่คนมังเข้าไป แล้วก็กินแบบกินเป็นท่าเติมท่าอันนี้ก็จะทําให้ปัญหาเรื่องของการอยากจะกินอาหารนี่หมดไปเพราะถมันอยากก็คิดถึงความเป็นอุจจาระมันก็หายอยากแต่เวลาจะกินก็อย่าไปคิดที่ว่ามันเป็นท่าเพื่อเป็นยาเอามาคุกกันเหมเราคุกถ้าไปสุนัขมันกินได้อาหารคุกใั้มันมนี้มันกินอย่างอะไรก็แล้วแต นี่เขาทานครับนี่เราต้องตัดความอยากต่างๆด้วยปัญญาถ้าไม่ได้เป็นปัญญามันไม่หายเข้าสมาธิเวลาหิวข้าเข้าไปในสมาธิมันก็อิ่พอออกมามันคิดถึงพิซซ่าปั๊กมันก็หิวคิดถึงขนมอะไรมันก็หิวแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นเดี๋ยวมันต้องการเป็นอิจฉะไมันก็หายหิวหยุดหิวได้แต่ถ้ารู้จักใช้ยาต้องกินยาให้มันถูกเวลากินตามที่มันยาก พิจารณาตามที่มันอยากเวลามันไม่อยากไม่ต้องไปพิจารณาเวลาถึงเวลากินก็กินไปตามปกติไม่ต้องไปพิจารณาแต่ถ้าจะกินแบบวันนี้จะเอาให้เต็มที่นี่เอาต้องพิจารณามันเกิดมันวันนี้จะกินให้อร่อยอร่อยเลยไม่ต้องพิจารณาแต่ถ้ากินธรรมดากินแบบกินยาก็ไม่ต้องพิจารณาเลยถึงเวลาต้องเติมธาตุให้มันเหมือนกับรถน้ำมันหมดก็เติมให้มันไม่ถ้าเบรคปั๊มปั๊มหนักไม่้องน้ำมันเหมือนกัน มไม่ต้องไปดู<ม>โฆษณาที่เกโฆษณาเนาะน้ำมันต้อมนี่นนดีกว่าต้มนู้นท่านจิเละหลอกเรนี่ <ฮะ S 1> มันต้องใช้ปัญญามันถึงจะถอนรากถอนโวนของความอยากได้เพราะความหลงเนี่ยความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่ามันเป็นสุขความจริงมันเป็นทุกข์เห็นหร่างกายก็คิดว่ามันสวยความจริงมันไม่สวยเห็นอาหารก็น่ากินความจริงมันไม่น่ากิ น, น เราแก้มันด้วยปัญญามาเต็มยาหายอย่างเทาวอนหายขาดแล้วความอยากมันจะไม่โผลถ้ายังโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้วิธีเนี้แก้นไปเรื่อยเรือยเยมันก็หมดนิดไปถ้าไม่มีความอยากแล้วก็อิ่มตลอดสบายตลอดร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บตตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเละเลียเลเล้ยงมันได้กั็เลี้ยงไปรักษาได้ก็รักษาไป ทำไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนี่คือเรื่องของร่างกายที่พวกเราต้องมามีอยู่เรื่อยๆเรยพราะเราไปยึดเพราะเราไปใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขกันเพราะเราไม่มีภาระหา้าไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่มีกําลังที่แก่กล้าที่สามารถทําจิตให้รวมให้เป็น เป็นหนึ่งได้ให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้ถ้าเรามีพระลหา้านี่เราจะสามารถทำจิตแห้นรวมเป็นหนึ่งได้เมื่อเป็นรวมเป็นหนึ่งแล้วจิตก็ปล่อยวางทุกอย่างได้ปล่อยวางคนนั้นคนนี้ได้ปล่อยวางลาบยส้รัรสรเส้ญได้ปล่อยวางารูปเสียงเกิดลบได้ปล่อยวางร่างกายนะ้ปล่อยทุกอย่างได้หมดไม่ต้องมีอะไรให้ความสุขเพราะมีความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่ ความสงบที่เกิดจากการทำลายความอยากด้วยปัญญาความอยากนี้ต้องทำลายด้วยปัญญาถึงจะตายถ้าใช้สติใช้สมาธิบันเทงแต่กดม้นไว้ถ้าอยากจะที่มันจะใช้ปัญญาได้ก็ต้องมีสติสมาธิก่อนถ้ามีปัญญาจะไม่มีกำลังมันกิเลสมันก็แหกพรอบได้ บอกว่ามันเป็นจารามันคือกูจะกินอ่ะมึทำอะไรหน้ามืดแต่ถ้ามีมีสติมีเบิดขามีสมาธิมันก็จะมันก็จะไม่กินอ่ะมันไม่เดือดร้อนไม่หิวอ่ะจิตมันไม่หิวเลยนะถ้ามันมีเบิขาแต่ถ้าไม่มีอเบิขานี่มันหิวมันหน้ามืดเราให้ครพวกยาเสพคนที่ติดยาเสพติดเขาังต้อง้เสียกันอยู่ เวานมันน่าเมื่อยแล้วมันทุกข์มากมันทรมานมากเนี่ยเป็นสู้ความอยากไม่ไหวสู้ความความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ไหวนมันก็เลยต้องไปทําตามความอยากแต่ถ้ามันมีอุบเบกขานี่มันมันมีความสุขมันไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความอยากอาจจะมีร่างตามนิสัยเดินตามความอยากเนีย่ยที่เวลามันโผขึ้นมาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาอุบเบกขาก็ถูกเขียออกไป ถ้าราต้องการจเบิกขากลับแล้วก็ต้องดันให้ความอยากหายไปท่านั้นเราก็ต้องใช้กํำลังบ้านเพื่อสู้กับมันได้หรือใช้ปัญญาถ้าเห็นว่าเป็นอุจจาระนี่มันถอดออกมากเลยหรือเห็นว่าเป็นสร้างศพนี่มันก็จะถอยออกมายังไงถ้าเกิดแฟนเอาตายในควันนี้เราจะเก็บไว้ไว้ในบ้านมื่คืนนี้จะนอนท้อง อะไรเวลามีลมหายใจอยู่ด้วยกันได้เพราะไม่มีลมหายใจมันก็ยังคนร่างกายเดิมอยู่มันก็ยังไม่เน่าไม่เหม็นอะไรเลย้อก็ทำไมไม่คทปาสมมติว่าเขาไม่มีลมหายใจแล้วจะได้เฉียบจะได้ขอยกนอนคนละห้องกันจะได้ขอแยกนอนคนละห้องกัน ห, หวงข้างแทนเหมือนคนปฏิบัติมีคนถือสีต่ตงคนยังถามว่าใช้หัวข้างมด้หร้าใช่ก<笑><笑>ะังตอนนี้เราต้องมาสร้างศรัทธากันนะพยายามฟังเทศฟังธ ร, รรมอนหนังสือธรรมะอยู่บ่อย อันนี้ทำมาออยู่ใกล้เคียงตลอดเวลาวันละชั่วโมงก็ก็ดีครับฟังไปวันละชั่วโมงฟังมาเรื่อยๆเดี๋ยววันหนมันจะเกิดความฉุกเฉื่อยเมือไหร่เมื่อไหร่จะปฏิบัติแท้ทีวะตอนเริ่มต้นเราก็อ่านหนังสืออยู่หลายหลายอาทิตย์เลยพอสักวันหนึ่งเมื่อไหร่จะปฏิบัติแท้ทีพอถามเสร็จก็นั่งนอนตอนกลาอวันวางหนังสือแล้วก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเลย รู้แล้วนี่วิธีจะปฏิบัติทํางแล้วทำไมไม่ปฏิบัติสักทีอพอนั่งจริงๆมีสติดีๆมันก็สงบได้อาจจะไม่สงบเต็มที่แต่นั่นก็เห็นความแตกต่างเวลาที่ไม่นั่งกับเวลานั่งมันต่างกันมันก็เลยทําให้ยิ่งเกิดศรัทธายิ่งเกิดความเพียรขึ้นมาที่อยากจะนั่งให้มากขึ้นทํางานอยู่ก็เวลาออกได้เนี่ยเวลามานั่งดีกว่าหาความสุขทางใจดีดกว่าไปหาเงินเพื่อไปเสี้ยความสุขทางร่างกาย ที่เป็นเหมือนยาเสพติดเนี่ยเสพเท่าไหร่ก็ไม่พอเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะมันมีของให้ซื้อให้ใช้อยู่เยอะแยะไปหมดหมพยายามต้องอยู่ที่เริ่มต้นที่การศึกษาการทํงเทศํารธรรมแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันจะมันจะไปปฏิบัติเองปฏิบัติแล้วมันก็ได้มันก็จะเริ่มเห็นผลไปตามลำดับ กำลังที่อยากจะไปแบบความเพียรก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นไปเมื่อเพียรมากขึ้นผลก็จะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เต็มร้อยแล้วก็จะทําให้งานที่เราต้องทําสําเร็จรูปร่วงไปได้เปลี่ยนกับเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้น่างกายเงใช้ใ ช, ใช้ใช้ธรรมะแทนแทน่จะเพิ่มนั่งกายเป็นสลาะเราก็มาพิ่มธรรมเป็นสลาะ ทำบ า, ง, า, ง, างส่วนานปัจชาพึ่งศรัทธาพึ่งวิริยะพึ่เสตเพื่งสมาธิพึ่งแบบนี้ถ้าเรามีทำให้หมดไปใจแล้วเราก็จะมีควา ม, มความาเราก็ไม่ทํางพื่งร่างกายเราก็ไม่ต้องถูกกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ถึงเราเก็ไม่กลับมาูร่างกายสะายที่มันจาพัา สบายมรณาสุคือความสบายใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุที่เกิดจากการสร้างธรรมะเกิศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญ า, าดูในตัวเราดูว่าตอนนี้เรามีศรัท ธ, ธามากเท่าไหร่มีวิริยะมากเท่าไหร่เรายังต้องเพิ่มไหมเพิ่มก็ต้องทําไปมีสติได้วย อ, อย่างต่อเนื่องไหมใจเราสติธธ มึนใจไว้ให้อยู่ไม่ไปไหนได้หรือเป่านี่ยังปล่อยนะนี่ยังไหลในตามเนื่อในเนื้อนี้อยู่เรานั่งพุโทโธดูสักสิบนาทีดูสัจะอยู่กับพุโทโธได้หป่าถ้าอยู่กับพุโทโธได้สิบนาทีจิตก็หลวมได้ของคุณแม่ชีแก้วเนี่ยตามที่แกนั่งใหม่ๆข้างล่างแกนั่งห้านาทีจิก <c oughs> ตก็หวมน้องแกเชื่อล้งปู่ศรทัทธาในหลวงปู่คําสอนหลวงปู่ให้พุโทโธอย่างเดียว แกก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธงแกแลก้วจิตก็รวมเลยแค่นะนี้เองให้านาทีนะเราเูียนพุโทโธห้านาทีไม้องคิดเรืงนั้นเรื่องนี้ได้เราก็จะนำไปสู่สมาธินำไปสู่ปัญญาตามหลัต่อไปนะนี่ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็าะจะอนุญาให้ป่อ ยาหวาริวาหาพุรากริกปุเรนติสาคารันเอวัณีวะอิโตจินังเปตาังอุปกะปะติยิชิตังปะทีตังตุงหังคิปะเนวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโศยถามิโชติ ราตสุยทตาสพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควิยสัตุมาเตผวัตวันตาโยสุขีทีขาโยโภพวะอะพิวะธนญสีริสกนิจังุทธาประจายโนจตารโอธรมมวัฏฐานติอายุวันโนสุขัง พาลาสันูมีครมาที่หลังมื้อวครมาที่หลังเท่านถวายข้าของข้ามาได้ ไม่รต้องการ้องซื้อยัซื้อซีดีอะก็เข้ามาหิด้ต้องนแก้วน้าร์ต้องเขียน้นาตัวแทนต้องืต้องปื้ ฟัง่ายง่ายนแต่ยากว่ายากตรงหยากตรงที่ไม่ทง่ายรงนี้อาจารย์การใช้ปัญญาไม่งั้นจะไม่มีทางไปทำสมาธิให้ตายนะก็ไม่ไปไหนมีตรงปัญญาแบบแค่เห็นแก้แก้จีนแก้นิหานนะ อย่ไปอาบทนเป็นเป็นของไม่ดีถ้าตลอดกับเทเ้เป็นเป็นธาต ด, ดินน้ำลงไฟอันนี้ยอดเยี่ยมมากต้องเป็นพระอาหารเท่านั้นที่ตอบได้แก่อะไม่รูใช่ไหไ า, าไใช่หลวงตา ทายทอดส่วนข้างล่าก็ว mm ังต <laughs> ิดอยู่กดเคื่งเครื่องรับอินเนตได้รือไม่บางเครื่องเจค่ะมี w วไฟตลทางไมไม่ค่ะเป็นช่วงเค่องที่บินผานบางประเทศรับไม่ได้เขาระงับสัญญาณแล้วผู้ใดาจะรู้ว่าช่วงไหนไม่รู้าเขาต้องรู้าจะต้องซื้ออินเทอร์เน็ตจากข้างล่างแล้วมาใช้ข้างบนเครื่องค่ะ เป็นของสายการนใช่ค่ะเป็นขอสยกันบินค่ะเป็นเฉพาะค่ะเป็นกีมเน็ดกีมเน็ดอะไรยี้คออกขึ้นมาแต่ว่าจะมีเครื่องอยู่สองแบบที่นี่ใช้ได้คือเครื่อง 33H ส0มเอบ3ส0ออกับ380แปนั้นอมาเครื่องอื่นโบอิงเลยไม่มียังไค่ับะตนี้คงจะต้องรับจากดาวเทยมใช่ค่ะจากสัญญาณราบเทียน ใช้ยมดีไหมไม่เคยไม่เคยใช้ได้แอบพิสูจน์พิสูจน์แอพิสน์ไม่ว่าแต่สายการบินอื่นเขามีให้ฟรีเลยัคแล้วมีทุกแบบว่าทุกเครื่องแบบทุกเครื่องแบบของเครืงินใช่ค่ะเลก็ทาีจากกัรแทนไม่มี สามพ่จ่ายงกมัดเรียนประจำไม่ใช่ถ้าอากได้นะ้อีึงได้มีอะไรมีอะไรหรือเปล่า ให้สวดให้ลูกสาวเขาแบบว่าเขาหมดอายุแล้วหมก็ทายหมดทั้งก็ตายแล้วเนี่ยยังไม่หมดย่งหายใจอยู่ไม่หมดแล้วเวลาหมดก็ต่อไม่ได้ส่วนยังไงก็ต่อไม่ได้หืูพูดแต่หนูแค่ตอหนูก็ไม่สิบอกให้พระช่วยไม่ต้องสวดละสวดก็ไม่หายแล้ว มันไม่ดอยู่ที่สวนไม่สวนมันอยู่ที่บุญวิที่กรรมถ้าบุญยังมีอยู่มันก็ไม่ตายถ้าบุญหมดมันก็ตายบุญกรรมต้องอย่าไปกังวลกับมันคนเราทุกคนมันมีวันตายด้วยกันทุกคนเป็เวลาไม่มีใครมายักยั้งได้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังยักยั้งวันตายของท่านไม่ได้เแล้วท่านจะมาสวดให้คนอื่นไม่ตายได้ไมไม่มีหรอกทาไม่ได้ดูเขาหลอกมาใช ทีนี้ไม่เคยประกาศว่าจะสวดให้ไม่ตายไม่เคยมถ้าสวดได้เราก็สบายสวดให้เราตัวมาก่อนเร <c oughs> าต้องยังตาย <c oughs> แค่นั้นเราใช้เหตุผลเี่ยเราพูดกันได้เหตุด้วยผล <c oughs> ถ้าสวดให้ไม่ตายได้ก็ไม่อยู่กันร้นโลภ ก, กันไม่อยสนแล้อยู่กันร้นโลภมันดีอข้าวก็ไม่พอกินหรื <c oughs> อว่าตีกัน <c oughs> แย่งกันแล้ันตีแค่บวมให้บวมหที่ไหน เขาแค่ดูท่านเองเขาแค่ให้พระอาจารยสวดให้ใช่เฉยๆออเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ก็ก็พูดไปตามภาษาเคโยโยนธาระให้คนอื่นไปเขาทําไม่ได้ก็โยนแห่หลวงพ่อ <c oughs> ไปหาหลวงพ่อพระบ้านพระบ้านอาจจะสวดฮะอย่างนี้ต่างๆกิจกรรมพระบ้าน <c oughs> ไม่ใช่พระกลายงยนิทานในสมัพุทธกาลก็มี ดูแม่ดูแม่รัลูกอ๋อดูลูกก่อนลูกก่อนใช่น้องหอมน้องให้กอดรัอดเสร็จลูก <c oughs> อยากให้ลูกฟื้นไม่ยอมไปฟังไม่ยอมไปเผาชาวบ้านเห็นก็สงสารก็บอกไปหาพุทธเจ้าไ ป, ไปเถอะพุทธเจ้าจะสวดให้สวดให้ฟื้นใช่ไหไมบอกว่ดีใจรีบอุ้มศ อ, อมลูกไปหาพุทธเจ้าไปหรอกราบพุทธเจ้าขอให้ช่วยสวดให้ลูกหายหน่อย กระจ้าบอกง่ายเดี๋ยวไปหาเมล็ดผักกาดมาให้ถ้า ก, กรมือหนึ่งแต่เมล็ดผักกาดนี้จะเอามาจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะบ้านไหนที่มีคนตายใช้ไม่ได้นะก็ดีใจดีกลับไปบ้านไปหมู่บ้านไปเคาะประตูบ้านของของคนในหมู่บ้านเคาะไปบ้านไหนบ้านไหนที่ก็มีเมล็ดผักกาดก็มีคนตายทุกบ้านมันต้องมีญาติพี่น้องต้องแต่ต้องเจ็บต้องตายกัน ไม่พี่ป่านะอาก็ปู่ยยาตายยายเไม่งั้นถ้าลูกหลานไปบ้านไหนที่มีมะเร็งปากการก็ถามว่ามีไหมบอกมีแล้วมีคนตายนะมั้งนี่ <c oughs> บ้านนั้นก็มีเลยเห็นความจริงว่าอ๋อความตายนี่มันไม่ได้อยู่แต่ที่ลูกของเขาคนเดียวควาตายมีอยู่ทุกแห่งทุกคนเพียงแต่ต่างเวลาเท่านั้นเองก็เลยหายเศร้าสศก หายทุกเพราะยอมรับความจริงได้ปัญญาเนี่ยปัญญาเห็นความจริงเห็นว่าไม่เที่ยงมอว่าไม่เที่ยงความอยากให้มันเที่ยงก็หายไปเพราะมันเป็นไปไม่ได้ความอยากให้มันเที่ยงความอยากให้มันไม่ตายมันทำให้เราทุกข์กันพอเห็นว่ามันต้องตายด้วยกันทุกคนมันก็เลยยอมรับความจริงยอมรับความจริงมันก็หายทุกข์กันหายอย่าง ยิ้มได้แลเนี่ยิ้มได้แสดงว่าหายะนะอย่าไปทุกข์กับมันเลยไม่เกิดประโยชน์เลยตามตายยังมีใครห้ามกันได้องตายด้วยกันทุกคนถ้าไม่อยากตายก็อย่ามาเกิดถ้าไม่อยากเกิดก็ไปบวชชีกันการบวชชีคือการหยุดการเกิดด้วยบวชชีบวชพระนี่เป็นการไปหยุดการมาเกิด เมื่อเมยเมื่อเกิดก็ไม่มีวันตายนะที่บอกทางให้นะที่บอกทางให้นะทำหนังสือซีดีไปอ่านชุดไปนะจะได้หัวตาสว่างเราจะหายทุกนะ ถามเลยไมสี่ไอยากจะถามะไรต่ออถามเลยคือว่าที่ทํามานะฮะก็มีการจัดแปลงสถานที่นั่งวิธีนั่งคือมันต้องแบบทีละนิดทีละหน่อยรู้สึกทุกคนก็คงเหมือนกัน ท่านั่งอย่างนี้นะมันมันไม่ได้เอาไหนเลยแต่นี้ก็รู้สึกจะเข้าท่าแล้วหมายถึงว่าปรับดูว่าท่านั่งนั่งไปขนาดมันจะแ บ, บขนาดแป๊บเดียวถ้าเผื่อมันมีคุณภาพนะฮะมีคุณภาพแบบมันเข้าไปลึกมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ดี mm hmm. ถออเผื่่วันไหนนะถ้าเผื่อนั่งแล้วนั่งอีกแล้วมันก็ยังฟุ้งไปเน่นฟุ้งไปนี่อลไรก็ลุกขึ้นเลยเลิกเลยแล้วไปทํา เดินไปเดินมาเลยปสติก่อนแต่วันนี้ได้ได้มากเลยค่ะจากที่ท่านเทศเรื่องเรื่องอินทรีย์เรื่องเรื่องซูเปอร์ลาซเปอร์ซูเปอร์ผลาซูเปอร์แมซเปอร์เปยนมัน็นเใช่เปนอเป็นเรื่องเปนซูเปอร์อะไรล่ะซูเปอร์เอ่อเมดิเอร์ซูเปอร์นั่งสมาธิถือว่าเ เวลาเรานั่งเนี่ยเออเราต้องมีความเพียรอย่างแรงกล้าเลยขันพยานมองไปรอบๆบ้านเนี่ยมันมีอะไร น, น, น, นุ่มๆดูเราดูผ้าหมอนเองมันก็ น, นุ่มนะ <c oughs> ของในตู้เย็นมันก็แต่ว่ามันก็เน่าไปเพราะเรากินไม่ทันอะไรนี้นะวันนี้ก็ไปออกไปข้างนอกเหมือนกันนะฮะของดีๆทั้งนะั้น ทีนี้เราก็ต้องหยุดหมายถึงว่าเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อดูอร่อยนะทีนี้แต่ที่อาจารย์บอกว่าออออมีมีคนที่แบบว่าทำเกินอะ่ะทำเกินแบบเห็นอะไรเป็นอุจจาระหมดอย่างนั้นก็เกินไปออแต่ว่าถ้าเผื่อเราเราแบบดูแบบที่หลงตาบัวแก้ให้อะ่ะว่าอย่าไปทำอย่างนั้นออให้แก้เป็นดูให้มันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟ อันนี้แหละอันนี้มันเป็นมันแก้ปัญหาของทุกอย่างของโยมเลยเพราะว่าพอเห็นเค้กสวยๆไอติมอร่อยเลยนะคะมันหยุดไม่ได้นะขนาดมันเลยเที่ยงแล้วก็เอาหน่อยฮะถ้าเราคิดนะตอนนี้จะเปลี่ยนละเพราะอเราจะแนะนํำแบบไอแค่ดินน้าลมไฟ เราก็เดินจากไปเด็กเข็บสต่างไปล้วเละอันนี้อันนี้โอ้แบบดีมากข่าวเนี้ยมันมันช่วยช่วยช่วยพัฒนาการทาสมาธิแล้วก็การเป็นอยู่ที่ชั่วโมงที่เหลืออยู่เนี่ยที่มันไม่ได้อยู่ในสมาธิต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากต้องใช้ปัญญาว่ามันไม่เที่ยงว่าคันทุกข์ว่ามันเป็น ขยะมันเป็นของหน้าเกลหน้ากลัวอะไรต้องเห็นในเห็นตอนจบของมันเราชอบไปเห็นตอนต้นของมันตอนต้นมันก็สวยงามดอกไม้เวลามันบานนี่สวยเราไม่ดูตอนที่มันเฉาละใช่เมันอเฉาเสียเงินจะซื้อมันไหมซื้อมาสมามวันก็เฉาละเสียเงินกับเปล่า ยงคอื อ, อดาบพระสตย์่ไม่ขามัแล <c oughs> ้วนหลอกลวงอ่ะ่าน <c oughs> ่ได้ันหลอกลวง่ไก็หลอกไม่มเนฟ้าเนี่ย แ, แ, แต่ยอนชอบชอบคิดว่าชอบดีนะฮะแล้วตอนที่กลับมาจากเกิดคือว่าคือว่าห่วงแม่ไงฮะว่าถ้าเผื่อแม่ตายไปแล้วเราไม่ได้อยู่นี่นะมันจะไม่ดีเพราะเรารักแม่นะก็ประกาศว่า ชั้นหกสิกิ่กลับบ้านแล้วมาดูแม่มังแล้วก็ม า, าหาอาจารย์ที่สอนเราได้ก็มาคือแม่นะคะก็งองมไปทุกวันทุกวันทุกวั น, วนแล้วก็มาไปเยี่ยมแม่ที่อยู่อีกบ้านหนึ่งเออตอนนี้เราปรไปเนี่ยนะคะเพราะเราได้มีแม่ซึ่งอายุเก้าสิบสี่นะฮะเราก็มาามาดูหน่อยนี่มนแม่ มันเกือบเท่ามันเกือบเหมือนกันเลยล่ะเราดูหน้าแม่นายถ่ายรูปเซลฟี่มาโอ้ใกล้เคียงอะไรเงี้ยจนท่านสิ้นะฮะจนท่านสิ้นตอนนั้นคือจากไม่คิดว่าท่านจะไปเลวขนาดนั้นแต่ว่าพี่เตือนไปแล้วว่าคือเนี่ยแล้วมองไม่รอะมันเหนื่อยพุ่งกลับจากโคราชไปบวชก็ขับมา าท่านก็นอนเหมือนคนตายธรรมดาพร้อมๆนะก็ก็เท่าเท่าลูกแต่ว่าพร้อมๆ ม, มากนะพร้อมมีตะกระดูกเนี่ยเหมือนคนนอนหลับธรรมดาเนี่ยก็ไปจับแม่เย็นเชียบเลยนะแต่ยังนุ่มอยู่เพราะว่าสามทุ่มกับกับสามโมงเช้าอะมันแค่สิบสองของชั่วโมงนก็ได้ไปดูแม่นะเอาพลองมาไล่ไปใส่ใส่มือแม่อะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าอ๋อ นี่คือสภาพที่เราจะเป็น<ม>ในวันข้างหน้าเ<ม>ตรียมตายไปแล้วไม่มีความรู้สึกเสียใจร้องไห้เลยเลยดีใจที่แม่มได้ไปอย่างสงบน<ม>ก็ถือว่าโชคดีนะฮะได้ไปแล้วไปจับศพแม่รอจะนกระทั่งสับปเปล่เขามามนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนั้นเป็นการเป็นการฝึก ให้ให้คิดว่าอ๋อมันก็ตายทุกคนออนนี้จังอนนี้จังอนนี้จังว่าตาสามขาล่ะกำคาลนั่แม่ของแม่ของแม่ของแม่เขาก็เป็นอย่างเนี้ยอ็นเหมือนกันทุกคนเนะะี่ค่ะเราจะได้ฟ่องได้ฟ้องได้แล้วก็ไม่มีน้ำตาไม่ไ ม, มีน้ำตาลไม่กลัวไม่โกรมีคําถาลทางบ้านไหมบ้านนี้เข้ามาเท่าไหร่ อันนี้380ร้อยแปดสิค่ะสาม YouTube 41่สิบเอ็ดค่ะมาว่ามามีภาษาอังกฤษในวันนี้มีค่ะอ่าภาษาัง Question from Cheran. From Sirikan on YouTube Live. Teacher, if it is not meant to be that way, it would not have been that way. Is this correct? And if so. If this means we cannot do anything to control the future, please explain. There are something that we can control, and there are things that we cannot control. Like on our daily basis, we can control the body to get up to go to work to go to school. But someday the body might get sick, then you cannot control that. And there are things that that you can control, and there are things that you cannot control. So, in order to live happily and not be affected by things that you cannot control, you have to teach your mind to accept what you cannot control. Like your body is gonna get old, it's gonna get sick, and die. If you can accept this, you will not resist. You will not have any desire for it, not to get old, get sick, or die. So when you have no desire in your mind, then your mind will not be sad or be uh, be afraid. But if you have desire for the body not to get old, get sick, or die, then you will be sad or you will be afraid. When you think of the of getting old, getting sick, and die, so you have to study the truth of your body, the truth of everything that you have. That sometimes you can control them, sometimes you cannot. When you cannot control, the only thing you can do is to let go, not to not to cling, not to attach to them. Because when you cling or you when you attach to them, you will become unhappy, because you will have the desire for them to stay with you. But they're not gonna stay with you; they're gonna leave you. So you have to let them go. If you let them go willingly, you will not be sad. Like when we give money to charity, we're willing to let the money go. And we be, we are happy when, the when we give money to charity, but if we lose the money by other way, like if somebody, if some t h i e f e came into the house and stole the money, we will be unhappy. We will be angry because we are not willing to let this money go that way. See? So it's just a matter of letting go or not letting go. If you can let go, then you will not be sad. You will be happy. If you are, if you cannot, if you can let go, then you will be happy. If you cannot let go, then you will be unhappy. So just h e problem is not is not what comes or goes. The problem is your clinging, your attachment to them. If you have no clinging, no attachment to anything, then. What comes or what goes will not bother you, will not hurt you. So the goal is not to uh, to manage to control everything. The, the goal is to control your mind, mm -hmm. yourself, to let go, not to cling, not to a t t a c k By seeing the truth of everything that they are not under your control. Sooner or later, the things that you think you can control will not be under your control. Like your body, right now you can control your body, but one day your body will say, "No, you cannot control me. I'm gonna be sick. I'm gonna die. Okay? No matter what you do, I will be sick and I will die. If you want to control me, you'll be sad, you'll be unhappy. But if you're willing to let me be sick and let me let me die, you will not be sad or unhappy. So our goal is to be happy, not be sad." And in order to be happy, not be sad, we have to let go of everything that we possess today, that we own today. ค k a y คำถามจาก Facebook Live. คาถามจากคุณกะหนกการเวลาที่เราสวดมนต์ตามองตัวหนังสือปากก็จะสวดมนต์ เราตั้งใจสวดมนต์แต่ใจกลับไม่ได้จดจ่ออยู่กับการสวดมนต์เผลอไปคิดเรื่องอื่นเป็นช่วงๆต้องแก้ไขยอย่างไรดีคะก็ต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆวิธีหนึ่งก็คือหัดท่อก็ได้อย่าไปเปิดหนังสืออา่านท่ามันเลยท่อแล้วก็ท่ามันทั้งวันไปท่าไปในใจทัง้งวันแล้วมันก็จะอยู่กับการสวดมนต์ได้ถ้าเราเปล่อดหนังสือ เรามาสวดแสดงว่าเราไม่มีสติจดจำมั่นเลยเรามาเปิดพอมาเปิดดูอ่านด้วยสองสามคำมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราสวนแบบไม่คิดอะไรก็หัดท่องไวยเวลาท่อง น, นี่มันต้องมีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับบทที่เราจะท่องแต่จะต้องจดต้องจำการหัดสวดวง น, นี้ต้องสวนแบบไม่ต้องเปิดหนังสือถ้าเปิดหนังสือนี่มัน ใช้ไม่ได้มันต้องวนแบบไม่ต้องเปิดหนังสือมันพูดโทรอย่งนี้ยถ้าเราต้องเปิดหนังสือท่องพูดโทรพูดโทรองนี้ <c oughs> เดี๋ยเกิดถ้าไม่มีแสงก็ดูไม่ได้เพราะฉนั้น <c oughs> ถ้าอยากจะให้สวดได้ไม่คิดอะไรก็ท่องมันดีกว่า <c oughs> แล้วก็ท่องไปทั้งวั น, นถ้าไม่มีความจํำเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นนก็ท่องท่องวนไปทั้งวันเนี่ย ลืมตาขึ้นมาก็สวดอตติปิโสเอาหังซ้ำ ม, มาสวาาัสดีาโตไปอาบน้ำก็อตติปิโสไปกินข้าวก็เอตติปิโสไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็เอตติปิโสไปเดินทางไปทํา ง, งานก็อตติปิโสไปสวดไปไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นนอกจากเรื่องที่มันเกี่ยวกับเราเช่นเดินไปก็ต้องดูดูทางดูถนน<ม>ขับรถก็ต้องดูถนนด้วยไม่ใช่สวดอย่างเดียว คำถามจากคุณยานิสากรรมฐานนั่งแล้วช่วยรักษาโรค ก, กรรมเวรได้บ้างไหมคะมันก็จะทําให้เราหยุดทํากรรมทําเวรนั่นเองเวลานั่งใจสงบใจมีความสุขก็ไม่ต้องไปทำสร้างเวรสร้างกรรมกันคนที่สร้างเวรสร้างกรรมก็เพราะว่าใจไม่สงบใจหิวอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยไปคํขโมยข้าวของเงินทองของคนอื่นก็เลยไปสร้างเวรสร้างกรรม ถ้ามีความสงบมีความสุขมันมีความอิ่มมันก็ไม่อยากจะได้อะไรมันก็ไม่ต้องไปขโมยเงนินไขไม่ต้องไปย่งสามีแย่งภรรยาของคนอื่นเขาคำถามจากคุณสุรีปกติหนูจะตื่นขึ้นมานั่งสมาธิตอนประมาณเที่ยงคืนเพราะต้องรอให้ลูกๆห ล, ลับเมื่อคืนหลังจากนั่งสมาธิประมาณปีนหนึ่งครึ่งก็มานอนต่อขณะนอนก็ยังบริกรรมพุโทโธต่อ ทุกทีก็จะบริกรรมจนหลับแต่เมื่อคือรู้สึกว่าหลับยากจังแต่ก็ไม่ได้คิดคุ้มร้างอะไรก็บริกรรมไปเรื่อยๆแต่พอประมาณตีสี่จะลุกขึ้นปรากฏว่าร่างกายกําลังหลับอยู่มีความรู้สึกว่าต้องใช้กําลังจิตบังคับให้ร่างกายลุกขึ้นพอสมควรกาบเรียนถามว่าเกิดขึ้นจากอะไรคะแล้วต้องแก้ไขยอย่างไรคะืค็ไม่ต้องแก้ขไขแหละบางทีร่างกายมันเหนื่อยเวลาจะหลับมันไม่หลับ พรจิตไม่หลับแล้วพอเวลาร่างกายมันหลับมันหลับไม่พอจิตตื่นก่อนนั่งกายอมันก็จะลากร่างกายขึ้นมาร่างกายมันก็ไม่อยากจะลุกต่างบางทีเรารู้สึกนอนอิ่มไม่พอใช่ไหมพอตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกสดใสไม่อิ่มไม่สดชื่นอะไรอย่างนี้ก็พยายามจัดเวลาให้ถูกต้องนอนนอนให้มันเป็นเวลาถ้านอนผิดเวลาเนี่ยมันก็มีปัญหาได้ คำถามจากคุณเพชเคยได้ยินคนบอกว่าการทําบุญสังฆทานทําบุญผ้าป่าจะได้บุญในอนาคตแต่การทําบุญตักบาตรจะได้บุญวันพรุ่งนี้เลยจริงหรือไม่ครับและการทําทานกับสุนัขจรจัดได้บุญแบบไหนครับบุญที่พูดถึงนี่เหมือนเหมือนเหมือนกันหมดมันได้ผล22รูปแบบได้ปัจจุบันทำทันทีเลยพอทำปุ๊บก็ได้ผลเลยึ้น มีความสุขใจมีความสบายใจอันนี้ไม่ว่าจะใส่บาตรจะถวายผ้าป่าสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาเลี้ยงข้าวหมาอะไรอย่างนี้ทำไปแล้วเราได้เสียสละได้บอยจากเงินทองสมบัติข้าของของเราให้แก่ผู้อื่นไปใจเราจะมีความสุขขึ้นนะทันทีเลยแล้วเงินทองหรือข้าของที่เราทำนี้ก็เหมือนกับเราเอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญ แล้วชาติหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะไปเบิกเอามาใช้ได้งั้นทำได้เหมือนกันจะทำและในรูปแบบไหนก็ได้เพียง <c oughs> แต่ให้ใช้ปัญญาดูความจำเป็นนั่นเองที่ไหนเขาขาดแคลนก็ไปทำที่นั่นที่มันเต็มมันล้นไ ป, ไปทำมันก็มันก็ไม่ได้ไประโยชน์นอกจากว่าของที่เราไปทำที่เขาล้นแล้วเขาเอาไปทำต่อก็ไม่เป็นไร บางทีเราก็ไม่มั่นใจไป ท, ทําที่ที่ไม่มีคนไปทำเพราะกลัวเดี๋ยวจะเป็นพวกมิจฉาชีพเราก็ไม่กล้าไปทำํำเราไปทําที่เรามั่นใจก็มีคนแย่งคนไปทำํำกันเยอะแต่เราก็คิดว่าท่านรับไปแล้วท่านก็จะเอาไปทําให้กับพวกเราต่ออีกครั้งหนึ่งก็เหมือนหลวงตาเวลาที่เราไปทำบุญกับหลวงตาหลวงตาท่านก็ไม่ได้ใช้วัดป่าวันต่ายก็ไม่ได้ใช้หลวงตาท่านก็เอาไปสงข้อโลกไปตาม ความจำเป็นที่ไหนขาดแคลนอะไร <c oughs> ยุคแรกๆ ก, ก็ทําโรงพยาบาลใช่ไหมไ <c oughs> ด้ลถอะไรรดพยาบาลซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่าง <c oughs> เพราะมันขาดแคลน <c oughs> มันจําเป็นต้องมีแล้วต่อมาก็มามีหนี้สินไอเก็ต้องมาช่วยกันกดหนี้กันเนี่ยมันก็ทําต้องใช้แบบปัญญาทําด้วยปัญญาว่าของนี้มีประโยชน์จะใช้แบบไหนให้มันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แต่การให้ของของเราเนี่ยมันเราได้บุญแลได้ได้ประโยชน์คนให้ได้ประโยชน์แล้วเพีนงแต่ของที่จะไปทําประโยชน์นี่มันจะไปทําตรงไห น, นก็ต้องใช้ปัญญาถึงจะบางทีใช้ไม่มีปัญญาก็ไปเก็บไว้เแล้วมันเล่ามันเนเ่าเฟะไปหมวันนี้ <c oughs> ก็ไม่ดีใช่ไหมหลวงตาท่านไม่เคยสะสมของไว้มีอะไรเท่าไหร่เข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ระบายออกไประบายออไปอ <c oughs> ย่างินก็ ก็ทำไปเท่านั้นเองเพิยงแต่ว่าให้ใหดูบ้างก็ดีถ้าพระท่านบิณฑบาบไม่มีอาหารก็ใส่บาตให้ท่านอยากเป็นถวายผ้าป่านี่จีวรถ้ามีพอแล้วท่านบิณทบาทท่านไม่มีอาหารก็ใส่อาหารให้แต่ถ้าดันบิณทบาทผ้าขาดรุ่งได้ <c oughs> ก็ถวายผ้าป่าไปถวายผ้าจีวรไปให้สังเกตดูบ้างว่าถ้ามีโอกาสก็คุยกระทําได้ สนทนาปลาัยได้ถามได้แต่ท่านจะตอบไม่ตอบเพียงเรื่ อ, เองเพราะภาพบางรูปท่านก็ไม่เคยไม่เคยตอบไม่เคยบอกว่าต้องการอะไร <c oughs> ท่านตอให้เราพิจารณาใจอัธยาศัยท่านมากน้อยสันโดยนดยินดีกับสิ่งที่ท่านมีอยู่ถึงแม้ภาพบรรยากาลุกมันก็ยังใส่ได้ท่านก็ไม่ไม่ขวอมขอขอะไรเลยท่าน <c oughs> คำถามจากคุณยุทธนาถ้าอยากให้จิตตกกระแสธรรมถึงซึ่งพระโสดาบันโดยเร็วโดยใช้วิธีการดูการเกิดดับของอายตนะทั้งหพอจะมีทางเป็นไปได้หรือไม่ครับไม่ได้หรอกมันต้องดูร่างกายดูเวทนาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาเคยความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้ ไม่ทุกข์กับมันมันถึงจะบรรลุได้คำถามจากคุณป๊ะเวลานั่งสมาธิมีบางช่วงที่เหมือนกับจะตกจากที่สูงแต่ไม่ได้หลับนะคะเกิดจากอะไรควรทำอย่างไรคะเวลาจิตจะสงบออมันก็จะรู้สึกเหมือนจะตกหลุมตกบอก่อตกเทลอยก็ให้มีสติรู้สักแต่ว่ารู้ไปอย่าไปคิดปวงแต่อย่าไปมีปฏิกิริยากับ อาการที่มันเกิดขึ้นให้รู้เฉยๆเหมือนกับเราดูลมก็ดูไปดูจิตตกรุ้มตกบ่ ก, ก็ดูมันไปแล้วมันก็จะนิ่งสงบแล้วมันก็จะสบายคำ ถ, ถามจากคุณจุมพ์สวดมนต์และนั่งสมาธิเมื่อทำเสร็จจำเป็นต้องแผ่เมตตาไหมครับเออเรื่องแผ่เมตตานี้มันต้องแผ่ตอนที่ไปเจอกันอยู่คนเดีเยวไปแผ่ให้ใคร เหมือนทำบุญนี้จะทำบุญต้องมีคนรับใช่ไห ม, มการแผ่เมตตาก็ต้องมีคนรับไม่นั่งอยู่คนเดียวแล้วไปแผ่ให้ใครที่สวนนั้นไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการเรียนรู้เป็นการสั่งสอนเตือนใจว่าเราต้องแผ่นะเราต้องเอาเวลาไม่จองเวรเราต้องอ า, า, องาองออบัตญยาปัจฉาไม่เบียดเบียนเราต้องให้คนอื่นเขาพ้นจากความทุกข์ปรารถนาดีจบเขาไม่ให้เขาทุกข์ไม่ให้เาเดือดร้อน เราต้องการให้เขามีความสุข ว, วิธีจะแผลก็ต้องเวลาเจอกันเจอกันก็ยิ้มให้กัน <c oughs> ยิ้มกันนี่ก็แผแลละ <c oughs> พอเขาเห็นร ย, ยิ่งเขาก็มีความสุขอะไรไแล้วยิ่งมีขนมมาฝากก็ยิ่งยิม่ยิ่งสุหญเมื่อเวลาก็ดาดแลแล่าเราเราบอกไม่เป็นไรถือว่าไม่จองเวรกันยกให้คุณไปคน อ, อยากจะด่าก็ด่าไปถือว่าเป็นการทำบุญทำทางไง ถ้ดาดา่าแล้วแล้วคุณมีความสุขแล้วก็อนุโมทนาสาธุ อ, อันนี้เรียกว่าไม่ไมจองเวรไม่อาค่าพยาบามไม่โ apa, มกอดเกลียดกันให้อภัยกัน<ะ>นี่คือวิธีการแผ่ต้องแผ่ตอนที่มีเหตุการณ์ให้แผ่ตามที่อยู่คนเดียวไม่มีเหตุการณ์มาให้แผ่ที่สวดนี่ก็สวดเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรว่าบางทีสวดก็ไม่รู้ความหมายสิสวดไปก็เสียเวลาเป่า ถ้าจะแผ่ต้องแผ่ตอนที่เราทบปากันการสวดก็ดีจะได้เตือนใจเราสอนใจว่าเราต้องมีคุณสมบัตินี้ในใจเราเนอะเราต้องไม่จองเวรกับใครเราต้องไม่เบียดเบียนใครเราต้องไม่ประทับร้ายให้เขามีความทุกข์เราต้องให้เขามีความสุขมีขนมน ม, นมเนยมีอะไรก็แบ่งปันกันไปนี่เรียกว่าแผ่เมตตา องถามจากคุณกูลจะทำอย่างไรถึงนั่งสมาธิให้นานๆคะก็ต้องมีสติให้มากๆจะมีสติมากๆก็ต้องเจริญสติทั้งวันเชนต้องพุทโธไปทั้งวันเลยเฝ้าดูอยู่กับร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการทำงานของร่างกายอยู่ทุกอิริยาบถเลยผูกใจติดไว้กับร่างกาย วเาวลนนััง่งนนคําถามจากคุณพชัชราเบื่อในความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ไหมคะประถามเราทำไมคุณเป็นเพื่อนผู้ป่วยามเบื่อวก็สแสดงว่ามันทุกข์แล้วก็ทําไม่อยากจะเบือ่อไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ามาเกิด อย่างที่บอกถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ไปบวชชีบวชบวพระเราวเยตัดความอยากที่เป็นเหตุมาพาให้มาเกิดกันคำถามจากคุณหนูการที่เราทําบุญโดยการให้ทานแต่เราพิจารณาถึงความจําเป็นและประโยชน์ที่ผู้รับจะได้อย่างนี้ถือว่าทําให้เราได้บุญทั้งได้รับทั้งบุญและกุศลหรือเปล่าคะได้ก็เราได้ปัญญาได้รู้จักใช้การ ให้แบบให้มันเกิดประโยชน์อันนี้ก็เป็นปัญญาเป็นกุศลกุศลแปลว่าฉลาดบุญแปลว่าความสุขใจให้แล้วก็มีความสุขใจแล้วยิ่งเห็นว่าให้ไปแล้วเกิดประโยชน์ยิ่งมีความสุขมากขึ้นถ้าให้ไปแล้วยังสงสัยว่าเขาจะเอาไปใช้หรือเปล่ปาหรือเขาจไปทําหรือเขาจะเอ า, เอาไปโยนทิ้งเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขใจเท่าไหร่แตการให้ อยาถ้าจะให้อย่างสุขใจเราก็อย่าไปกังวลกับคนนะเขาจะาไปทําอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราเราให้แล้วเราจบเราให้เพื่อเราให้ให้เกิดความสบายใจเราก็พิจารณาดีแล้วว่าคิดว่าเขาขาดแคลนนี้ให้เขารับได้ประโยชน์ ก็ให้เขาไปก็จบไปอยากไปตามดูว่าเขาเอาไปท ำ, ทำนี่ทำนี่เกณฑหรือล้าพระชานี้ยหนวงพ่อหยิกของของฉันเล่าหยิกว ท, ท่าเกณฑ์หปจีจุดการเอาของเราไปให้ใครหรืเปล่าอะไรอย่างนี้จะไม่สบายใจใช่แล้ถือว่าเป็นของท่านนะ ทันจะไปทำดุลต่อก็เรื่องของท่านท่านกินคนเดียวไม่ไหวหรอกแล้วเราไแ บ, บ่งให้นคนเดินต่อคาถามจามกคุณพาสถ้ามีหลายๆคนมาทำนายผมต้องเป็นคนดูดวงร่างทรงเพราะมีของติดตัวมาแต่ผมไม่อยากเป็นแบบนั้นผมบาปไหมครับที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ และสิ่งเหล่านี้ใช้การสะสมบุญบารมีหรือเป็นการยึดติดในตัววิชาและเป็นการก้าวไก่เรื่องกรรมของคนอื่นไหมครับและสิ่งสุดท้ายคือมันใช้แนวทางในการปรารถนาดินแดนสุขาวดีดังเช่นพุทธองค์ทรงตักสอนไหมใช้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นไหมครับไม่หรอกการทำนทายทายทังนี้ก็เป็นเป็นดาชีพนั่นเอง ว่าเจ้าว่าไม่เปลี่ยนอาชีพก็ต่อเมื่อเราไม่รับเงินทองมันก็เป็นการทำบุญไปทีนี้การทำนายทายทักมันก็ถูกบ้างผิดบ้างแล้อ ว, ว่าถ้าแม่นก็ถ้าแม่นก็แม่นนะแต่มันก็ไม่ได้ไปไปทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงความจริงความจริงก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีอย่างนการทำ ทำเรื่องแบบนี้ก็เป็นเพียงแต่บรรเทาความความเดือดร้อนความไม่สบายใจของคนที่ไม่มีที่พึ่งที่ยังไม่ยอมมองความจริงกัน mm hmm. ก็ไปหาหมอดูให้ไปพูดอะไร mm hmm. ดีไม่ดี mm hmm. เดี๋ยวหมอเกิดไปพูดสิ่งที่ไม่ถูกใจก็จะทุกข์มากขึ้นไปกว่าเดิ mm hmm. นั่นไม่ใช่เป็นทางสู่การดับทุกข์การดับทุกข์นี้ต้องสอนความจริง ใคมาหาก็บอกคุณต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะอันนี้ของจริงก็จะได้ไปเตรียมตัวเตรียมใจนสอนใจให้ยอมรับกับความแก่ความเจ็บการตายแล้วเขาก็จะได้ไม่ทุกข์กับมันเพรมันถ้าไม่ทํามันก็ไม่บาปหรอกที่มันอาจจะเป็นนิสัยของเราหรือเป็นวาสนาของเราที่อาจจะมีตาทิฟหูทิฟที่อาจจะเห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คน ธรรมดามองไม่เห็นก็ได้อันนี้ก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องของอดีตชาติที่เราได้สะสมเนเรียกว่าอภิญญานี่ต่างๆก็มีหลายแบบหลายชนิดคนบางคนก็มีบางอย่างบางคนก็ไม่มีอย่างหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็อ่านใจของคนอื่นได้ท่านก็ติดต่อกับเทวดาได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องความรู้พิเศษแต่มันไม่เกี่ยวกับการเรื่องของการไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นว่าความรู้พิเศษเหล่านี้ไม่สามารถมาดับกิเลสได้ดีไม่ดีถ้าไม่มีปัญญาก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปเล่นเอาไปเป็นอาชีพไปเป็นหมอดูแทนที่จะไปบวชไปปฏิบัติทําก็เลย ทำอาชีพนี่ดีกว่ามานั่งทานายทายทักเขาแล้วก็ได้เงินได้ทองมเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เลยไม่ต้องไปไปบวชถ้าถ้าไปบวชก็จะได้ปฏิบัติได้เจริญสีนสมาธิปัญญาที่จะมาฆ่ากิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกัน <c oughs> งั้นวิธีที่ถูกต้องที่สุดก็วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและนํามาสั่งสอนนี่แหละ อย่าไปสนใจกับวิธีอื่นเลยถ้าเราอยู่ทางอื่นก็รีบเข้ามาทางนี้เถอะเข้ามาทางแห่งศีลสมาธิปัญญานี้เป็นทางที่จะนำเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเงินว่าตายเกิดทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงอย่างถาวรคำถามจากคุณนลโงงชยัยพระนั่งคอยบินฑบาตผิดไหมครับ ธรรมเนียมของพระบิณฑบาตข้าเดินไปเรื่อยๆเดินไปเพื่อตรวจตัวให้รู้ว่าข้าพเจา้ามาขอรับขององท่านแล้วแต่จะไม่เคาะประตูเรียกจะไม่ยืนยืนสร้างความนำคาญใจให้กับใครบางคนไม่ยอมใส่ก็กูจะนั่งรอยแต่อย่างนี้ก็ไม่ถูกหมดแล้วเนีย มีใครอยากกระถามั้ยถ้าไม้มีก็จะได้ปิดประชุมนะก็ขอให้นำเราสิ่งที่ได้ยินได้่อนในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอด เสกให้แล้วกรอบไว้บองคนบอกเอาหน้านี่ไปกินแล้วหายเลยนะไม่สบายไปไนด้มชิชิปี่ามืดหายเร็วเร็วนะ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะก็ขอให้ไปกลับบ้านกันไปทำภารกิจอะไรต่างๆที่ต้องทำ ท่านกำลังกลับไปภาวนาคหายเร็วๆนะทำใจให้สบายนะอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันหายวันนี้ดีใจสุดๆเลยนะอย่างที่ท่านจันทร์ว่าได้ออกมาแล้วค่ะตื่นกันขัน คุณต้องเริ่มมาตั้งแต่เริ่มต้นมาตลอดไม่เคยขาดเลยนี่ยมนีคนเหนื่อยเนี่ยก็ดูไว้เป็นบุทาหอนเนี่ยร่างกายเป็นอย่างนี้เราไม่ช่ากันเราก็ต้องต้องโดนแบบได้แบบหนึ่งมันต้องเวยต้องเจ็บอย่างอย่างได้อย่าง ทําปทำใจว่าอย่าไปทุกข์กับมันนะมันจะเป็นแค่มันเป็นไปถ้าไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านภาวนาไปไม่ต้องมาหรอกถ้าภาวนาเป็นแล้วมันไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่กับที่มีความสุขแล้วในขณะที่ยังไม่ค่อยไม่ได้ภาษาเนี่ยงั้นจะลูกสังเกตใจของตัวเราว่าเวลาที่เราฝันสด ปากครูบาอาจามันจะรสชาติต่างกันกันกนกบเวลาเราฟังจากเพลงนิดหน่อย เ, เพราะบรรยากาศบรรยากาศไม่เหมือนกันบรรยากาศความรู้สึกเราตอนนี้มีคนพูดตอบเราโดยตรงกับเวลาเราฟังเทปนี่มันเหมือนกับว่ามันแค่เป็นแค่เสียง<ช>มันความความความตอบสนองต่อกันและกันมันก็ไม่เหมือนกันดันั้นมาจากกําลังของจิต ข อ, ของผู้แงม่เป็นความรู้สึกของขอ ง, ของผู้ฟังมากกว่าผู้ประทานของผู้ฟังออย่าี้แต่ทำมันก็ทำันเดียวกัน <c oughs> เสียงก็เสียงคนเดียวกันแต่เป็นเสียงสดกับเสียงแห้งอะไร <c oughs> ถ้าเราฟังที่ตัว ตัวเสียงจริงๆมันก็ได้ผลเหมือนกันเพราะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันต้าสดมาดูมีชีวิตีวามากกวา่ามันดิ้นได้น้องเวลาฟังสดกับน้องตาที่กลวอย่า ง, างเดียวกวจะเด้งเข้ามาหาเ <c oughs> <c oughs> รอพูดไปพูดมาใส่เราขึ้นมา <c oughs> แต่ถ้าฟังเทปไม่รู้ว่าไม่ง่ายก็ไม่ใช่มันจะใจจดใจจอกมากกว่าความตั้งใจจะมีมากกว่าว่ากลัวเดี๋ยวถ้าอาจารย์มองมาสามรอบ สีก <Nah>, ัน <laughs>